มันนั้นแปลว่าผูฆ่าผูททาลายในพุทธประวัติได้มีแสดงถึงมานที่แสดงว่าเป็นเทพชั้นหนึ่ง อันเรียกว่าเทวบุตรและเมื่อเป็นมารก็เรียกว่าเทวบุตรมารเป็นเทพชั้นหนึ่งที่มาขัดขวางพระพุทธเจ้าตั้งแต่ใ น, ในเบื้องตน้นตั้งแต่ป้องกันไม่ให้ทรงพนธ และเมื่อทรงขนุษแล้วก็ยังมาตามป้องกันต่างๆไม่ให้จััสรูจนถึงในราตรีที่ตรัสรูนั้นมานก็ได้มาป้องกันในขั้นสุดท้าย ก็ยังมาป้องกันอย่างเต็มที่แต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงชนะมาได้จึงได้ตรัสรู้นักธรรมะได้วิจารกันว่าอาจจะถอดความได้เป็นธรรมะ มารที่มาปจนพระพุทธเจ้านั้นก็คือกิเลสสมาร์ตมารคือกิเลสซึ่งมีอวิชชาเป็นหัวหน้าและเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้น ทรงพิจารณาจับผลจับเหตุขึ้นไปจนถึงวิชาอาสวะวิชาบังเกิดขึ้นแก่พระองค์อย่างเต็มที่แล้วิชาจึงดับที่ได้กล่าวแล้วว่าเหมือนอย่างเมื่อแสงสว่างบังเกิดขึ้นหรือความสว่างบังเกิดขึ้นความมืดก็ดับ เพราะฉะนั้นเมื่อวิชามันเกิดขึ้นอวิชากดับก็เป็นอันว่าได้ทรงกำจัดมารเสียได้รอมทั้งเซนาก็คือบรรดากิเลสทั้งหลายที่สืบเนื่องจากอาวิชชาเช่นตันหาอุปาทาน หรือกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างที่พูดกันว่ากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดเป็นตน้นคือบรรดากิเลสทั้งปวงซึ่งมันเกิดสืบ เ, เนื่องมาจากวิชา กิเลสทั้งป่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นเสนาของมารมารก็คืออวิชชากิเลสที่เกิดสืบเนื้อชาก็คือเสนาของมารทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อดับอวิชชาซึ่งเป็นตัวมารเสียได้บรรดาเสนาก็พลอยดับไปหมด แต่ก็ได้มีแสดงมานไว้ว่ามีห้าอย่างคือขันธมานมานคือขันธ์อันได้แก่นามารูปหรือสกุลกายอันนี้กิเลสมานมานคือกิเลส อภิสังขารมานมานคือความปรุงแต่งอันได้ก่กรรมที่ประกอบกระทามัจจุมานมานคือความตายเทวบุตรมานมานคือเทพบุตรขันธมานนั่นก็หมายถึงขันธ้า รูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณย่อเป็นนามรูปหรือกายใจอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นมานแก่ภูที่ยึดถือเป็นอุปาทานขันขันเป็นที่ยึดถือและเมื่อมีความยึดถืออยู่ในขันขันก็เป็นมาน คือเป็นเครื่องทำลายล้างมิให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความสิ้นทุก์ได้เพื่อดับกิเลสและกองทุกได้กิเลมันคือกิเลสเป็นมันก็เพราะกิเลสเป็นภู่าเป็นผู้ทำลายล้างต่างๆอภิสังขารสมาธิมันคืออภิสังขารอันได้แกิด ก, ก, รรกับก็เพราะกรรมที่ประกอบกระทํานั้น ย่อมสืบเนื่องมาจากกิเลสาฉะนั้นจึงพลอยเป็นมานไปด้วย <c oughs> เพราะกรรมนั่นเองก็เป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องทำลายต่างๆได้มัจจุมานมาคือความตายก็เพราะว่าความตายนั้นเป็นเครื่องทำลายชีวิตทำให้ ไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติสืบต่อไปได้เทวบุตรมาณมานคือเทพบุตรก็หมายถึงเทวดาที่เป็นมารดังที่กล่าวมาแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงกำจัดมารและเสนาได้หมดสิ้นทรงสถิตยอยู่เหมือนอย่างดวงอาทิตย์สถิต สว่างอยู่ใ น, นในนภากาศต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทำความสงบสึกต่อไปบัดนี้จากแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภากอรหันตัสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระทรรม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 คูปฏิบัติใช้หลักปฏิบัติในสติปัฏฐานเป็นส่วนใหญ่และพระสูตรที่แสดงสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นพระสูตรใหญ่ที่เรียกว่ามหาสติปัฏฐา น, นสูตรก็ได้ประมวลข้อกรรมฐานไว้เป็นอันมากซึ่ง ได้ถือเป็นหลักในการอบรมกรรมฐานในสำนักนี้และสำหรับในพัศนาการที่แล้วมาจนถึงบัดนี้ ก็ได้ถือหลักสติปัฏฐานดังกล่าวแต่ว่าได้แสดงแทกธรรมะจากพระสูตรต่างๆได้อธิบายธรรมะ จากพระสูตรต่างๆนั้นมิไดแสดงอธิบายสติปัฏฐานสี่โดยตรงโดยพิสดารเพราะว่าใด เคยอธิบายไว้โดยพิสดารและได้พิมพ์เป็นเล่มไว้ผู้ต้องการทราบอธิบายในสติปัฏฐานโดยตรง mm. ก็อาจที่จะหาอ่านได้และแม้ว่าธรรมะที่แสดงอธิบายแทรกเข้ามานั่น มะจากพระสูตรอื่นแต่ก็รวมเข้าได้ในมหาสติปัฏฐานสูตรทั้ทงสิน้นดังเช่นที่ได้ยกเอาข้อสมาทิทิ ความเห็นชอบจากสมาธิสมาธิที่สุดที่ท่านพระสาริบุตรได้แสดงมาอธิบายติดต่อกันมากครั้งจนจบ กระแสความในสมาธิที่สตรนั้นก็รวมเข้าได้ในมหาสติปัฏฐานสูตรเช่นเดียวกันเพราะในมหาสติปัฏฐานนสูตรนั้นก็ได้แสดงมักมีองแปด ในหมวดอริยสัจส์่มักมีองค์แดนั้นก็มีสมาทิฏฐิเป็นข้อแรกเพราะฉะนั้นเมื่อจับแสดงสมาทิฐิก็เป็นอันว่าได้แสดงข้อธรรมานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐาน ในวันนี้จะได้แสดงสรุปสติปัฏฐานสี่ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในพระสูตรหนึ่งแต่ก่อนที่จะแสดง ก็ขอกล่าวให้ทราบว่าข้อที่แสดงจากพระสูตรที่กล่าวนี้ไม่ได้ยกข้อต่างๆตรงกับมหาสติปัฏฐานสูตร ทั้งหมดแต่เลือกหยิบยกมาส่งแสดงและส่งแสดงในทางปัญญาแล้วก็พึ่งทราบว่า แม้ในทางสมาธิก็ย่อมรวมอยู่ในแนวเดียวกันสติปฐานทั้งสี่นี้ที่จะแสดงในวันนี้ จึงอาจจะยากไปสำหรับภูที่มาอยู่ใหม่ภูที่เข้ามาใหม่แต่ว่าให้ถือว่าเป็นการแสดงสรุปในราวสุดท้าย ของพัฒนาการที่แล้วเมื่อเริ่มแสดงใหม่เมื่อเข้าพรรษานี้แล้วจึงจะได้แสดง ตั้งตน้นซึ่งเป็นข้อที่จะฟังได้ง่ายขึ้นสติปัฐานทั้งสี่ ก็คือตั้งสติคือความระลึกได้หรือความระลึกรู้ไวในกาย ในเวทนาในจิตและในธรรมในมหาสติปัฏฐานสูตรได้รวบรวมข้อที่ คืงพิจารณาในกายไว้ก็คือข้อว่าโดยลมหายใจเข้าออกข้อว่าโดยอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนข้อว่าโดย สัมปชัญญะความรู้ตัวในความเยื้อแกลอิริยาบททั้งสี่นี้และอิริยาบทประกอบทั้งหลายข้อว่าด้วยกายนี้ จำแนกออกเป็นอาการทั้งหลายมีผมขนเล็ดปันหนังเป็นต้นข้อว่าด้วยธาดสีไฟลมข้อว่าด้วยป่าชาเก้า คือพิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาแยกออกเป็นเก้าข้อตั้งต้นแต่ศพที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันเป็นต้นไปจนถึงเป็นกระดูกผุพ่น ตั้งสติพิจารณาเวทนาก็คือตั้งสติกำหนดเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งที่เป็นสามิตร คือมีกิเลสเป็นเครื่องล่อให้เกิดขึ้นทั้งที่เป็นนีรามิตรคือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อหรือเป็นเครื่องนำให้เกิดขึ้นตั้งพิจารณาจิตก็คือตั้งสติกำหนดดูจิตใจนี้ที่ มีราคะความติดใจยินดีหรือปราศจากราคะความติดใจยินดีที่มีโทสะหรือปราศจากโทสะที่มีโมหะความหลงหรือปราศจากโมหะความหลงเป็นต้น ตั้งสติพิจารณาธรรมก็คือตั้งจิตกำหนดดูธรรมะทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในจิตตั้งตนแต่กำหนดดูนิวรณทั้งห้า คือกิเลสที่เป็นเรื่องกันจิตบังเกิดขึ้นรุม ร, มรุมจิตมีกามฉันความพอใจรักใคร่อยู่ในกามพยาบาทความมุ่งร้ายปองร้ายเป็นต้นกําหนดดูขันห้า คือรูปเบธนาสัญญาสังขารบิญญาณกำหนดดูความเกิดของขันธ์ห้าความดับของขันธ์ห้าตั้งสติกำหนดดูอายตนะภายในทั้งหก ที่รับอาจตณะภายนอกทั้งหกอาจตณะภายในภายนอกที่รับกันก็คือตากับรูปที่ประโจกันหู ก, กับเสียงที่ประจวบกันจมูกกับกลิ่นที่ประจวบกันลิ้นกับรสที่ประจวบกันกายและสิ่ง ถูกต้องกายที่ประจบกันมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวที่ประจบกันเกิดสัญญาต์คือความผูกใจแหละก็ให้รู้จักความเกิดของสัญญาตความดับของสัญญาต และสรญโยต์ที่ดับแล้วจะไม่เกิดขึ้นสั้งสติกําหนดดูพอดคงทั้งเจ็ดมีสติพอดคงองแห่งความรู้คือสติธรรมวิจยะ โค์ชงองแห่งความรู้คือธรรมวิจัยความเลือกเว้นธรรมเป็นต้นตั้งสติกำหนดดูอริยสัจทั้งสี่คือทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุก ก็รวมเป็นตั้งสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมที่ตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรและได้ตรัสสรุปไว้ในพระสูตรอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเ็ดจัดอธิบายวิธีปฏิบัติตั้งสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมรวมความเข้ามาว่าให้ปฏิบัติ ตั้งสติคือความระลึกได้ความกำหนดได้ในเวทนาในกายก็คือในปัทวีกาย กายที่เป็นส่วนดินอาโปกายกายที่เป็นส่วนน้ำเตโชกายกายที่เป็นส่วนไฟวายโยกายกายที่เป็นส่วนลมเกษากาย า ก, ากายที่เป็นส่วนผมโลมากายกายที่เป็นส่วนขนชวิกายกายที่เป็นส่วนลุกจำมากายกายที่เป็นส่วนหนังมังสะกายกายที่เป็นส่วนเนื้อ น้หาลูกายกายที่เป็นส่วนเส้นเอ็นอัฐิกายกายที่เป็นส่วนกระดูกอัฐิมินชะกายกายที่เป็นส่วนเยื่อในกระดูกตั้งสติกําหนดเวทนาก็คือ ในสุขเวทนาเวทนาความรู้ที่เป็นสุขทุกขเวทนาความรู้ที่เป็นทุกขมาทุกขมาสุขเวทนาเวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกขตั้งสติ ก, กาหนดเวทนาที่เกิดทาง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 ตั้งสติจิตใจก็คือกำหนดดูจิต